กลาบขอโอกาสหลวงพ่อกลมพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์พัฒนาชัยนะครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วนกะ็ขอโอกาสเพื่อนสาธรรมิกครับจเจริญพรพวกเราแม่ชีเนาะนะแล้วก็ญาติธรรมนะครับที่มาปฏิบัติธรรมกันก็ เวลาที่ได้รับใหม่มานะก็นึกถึงนึกถึงพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้าก็สอนนะสอนทุกอย่างอย่างเมื่อกี้เราสวดเราสวดสวดมนต์กันบทพิเศษนะพุทธเจ้าก็สอนแนละ้วอึนะจะอึจะฉี่ก็อย่าลืม <c oughs> น้อนเราก็อึล้วก็ฉี่กันมานะฮะใช่ไหมฮะก็ย่าย่ายไปหมดแต่พระเจ้าก็บอกว่าอย่าลืมนะอึฉี่ก็อย่าลืมรู้สึกตัวไปด้วยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่งอคำเขียนก็บอกนะบอกอย่างหลวงพ่อคำเขียนก็จะมาบอกว่า <c oughs> ให้ฉวยโอกาสนะให้ฉวยโอกาสชั่วช้างสะบัดหูช่วงงูลและปลิ้นก็ต้องเอาโอกาสตรงเนี้ยเนาะนิดๆหน่อยๆเ น, นี่ย มาทำความรู้สึกตัวตรงเนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกหลวงพ่อก็เขียนก็บอกนะหลวงพ่อเทียนก็บอกบอกว่าอย่าอยู่นิ่งๆตรงเนี้ยก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอย่างหลวงพ่อเทียนบอกอย่าอยู่นิ่งๆก็สร้างความรู้สึกตัวไว้ก่อนขยับเนื้อขยับตัวให้อาศัยความเคลื่อนไหวเป็นตัวที่เราได้กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ ที่สำคัญสาคัญมากๆเลยเราจะมีความรู้แค่ไหนก็ตามเนี่ยเราไม่มีทางเอาความรู้อันนั้นมาใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์นะใช้ความรู้ไม่เป็นประโยชน์ก็มีเราจะเอาความรู้นั้นมาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อว่าเรามีสติกํากับเท่านั้นเองเนี่ยนะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าหลวงพ่อคำเขียนจะพูดเสมอๆว่า ในเวลาที่หลวงพ่อพูดธรรมะกับญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าพวกเราหมายถึงญาติโยมนะมีความรู้กันมากกว่าหลวงพ่อเยอะแยะเลยแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความรู้แต่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำให้ทำซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากไปกว่าการที่ให้เราเนี่ยได้มามีสตินะ รู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวพุทธเจ้าเองในบทมหาสติปัฏฐานเนี่ยชื่อมหาสติปัฏฐานเนี่ยนะเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะยืนรู้สึกตัวไหมนั่งรู้สึกตัวไหม <c oughs> เดินนอนกินดื่มเคี้ยวและลิ้มอะไรต่างๆนาน า, น า, นาตรงเนี้ยก็เรื่องธรรมดามากๆเลยนะนั่นก็คือตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าบางที เราไปหาความรู้นอกตัวเนี่ยเยอะเนาะยิ่งเราอยู่ในเมืองเรามีก็ เ, เรียกว่ามีแหล่งที่จะได้หาความรู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะนั่นะนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกนะ ม, มันไม่เคยอิ่มนะกับการหาความรู้เพระาะว่านั่นคือไอ้นั่นก็น่ารู้ไอ้นี้ก็น่ารู้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอันนี้เรากาลังหลงนะก็เรียกว่าหลงไป กับเรื่องทังโลกเพราะว่าเรื่องทังโลกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า innovation เนาะมีการค้นพบอะไรใหม่ๆเนาะมีการประดิษฐ์ไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตลอดเวลาแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องว่านั่นมันเป็นความรู้มันเป็นความรู้ทั้งโลกซึ่งความรู้ทังโลกเนี่ยมันไม่ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราไม่ได้กลับมา มีสติที่จะใช้ของแปลกๆใหม่ๆ ห, หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทั้งหลายแหลนั่นก็คือตรงเนี้ยเนาะว่าการที่พวกเราเนี่ยได้มาก็เรียกว่ามาที่วัดป่าสุกโตมาเจริญสติกันตรงเนี้ยคำว่าการเจริญสติเนี่ยก็ชัดเจนว่ามาหัดใช้เนาะมาหัดใช้สติกันมาใช้สติกันกับทุกอิริยาบถเนี่ย ในทางลงพ่เทียนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าการฝึกเนาะก็เรียกว่าการฝึกเจริญสติของเราเนี่ยงพ่เทียนก็จะบอกชัดเจนนะก็จะมีหนึ่งเนี่ยมีทั้งในรูปแบบเนาะก็คือณนะอย่างณขณะนี้ใช่ไหมพวกเราแบบว่าเหมือนกับบางคนก็ทำในรูปแบบอยู่แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยณขณะนี้เดียวกันก็ตามบางคนก็ทำนอกรูปแบบอยู่ ก็คือการที่กลับมาเนาะกลับมาพิจารณากลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่านี่เป็นเป็นงานเนาะเป็นงานของการที่เราเจริญสติกันคาว่าพิจารณาเราสวดเนาะบทมหาสติปัฏฐานเนี่ยจะมีคาว่าพิจารณาพิจารณาเนี่ยตลอดเวลาคือถ้าหากว่าเป็นทางโลกเนี่ย คำว่าพิจารณาเนี่ยหมายถึงคิดนะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเรียกว่าพิจารณาแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยการพิจารณาหมายถึงว่าการมีสติมองกลับมาที่กายมองกลับมาที่ใจตรงเนี้ยนี่นี่คือการที่เราเรียกว่าพิจารณาเนาะเดี๋ยวก็มีเนาะบทที่บอกว่ามีความเพียรอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรอยู่เป็นประจำทำเรื่องอะไร ก็ทาเรื่องการกลับมามองความเป็นไปของกายเรามองความเป็นไปของใจเราอิ่งเหมือนกันตกลงเรื่องของการพิจารณาก็ดีเรื่องของการทำความเปลี่ยนก็ดีเป็นเรื่องเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าเองก็บอกให้เราไม่น่าเบื่อนะนะนะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างใช่การมีสติรู้สึกตัวบางทีก็บางทีพูดพูดเป็นคาสั้นๆจริงๆคาสั้นๆ น, นี่ก็ เป็นธรรมะที่เรียกว่าลึกเนาะลึกแล้วก็กว้างเรียกว่าทั้งอัฏถะทั้งพยัญชนะเนี่ยนั่นนั่นคือความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนขโมยไว้ให้เนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้ทั้งหมดนั่นหละแต่ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระุทธเจ้าก็จะแจกแจงอย่างละเอียดนะ <c oughs> กลับมาพิจารณาใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราหลงลืมสติไป ไปมองหาเรื่องรอบตัวเกินไปเนี่ยก็กลับมาพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายนอกบ้างทั้งภายในบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมพิจารณาตรงไหนก็ได้มันก็มีให้เราดูอยู่ตรงนั้นละ่ะอย่างเงี้ยจะเป็นภายนอกก็ดีจะเป็นภายในก็ดีพิจารณาไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นลืมไปก็ไม่เป็นไรมันก็มีรออยู่มีรอให้เราพิจารณาตรงเนี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าในเวลาที่เราแบบว่า ดูคำสอนเนาะดูคำสอนของพุทธเจ้าได้อ่านทบทวนคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกเจริญสติกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยกับการใช้สติเนี่ยแม้ในขณะที่เรากำลังสวดมนต์อยู่ก็ตามเนาะเราก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะพิจารณามีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรไปด้วยกันใน <c oughs> ในเขเรียกว่าในครั้งพุทธกาลอันนี้ก็ขอขอยกเรื่องครั้งพุทธกาลขึ้นมานะไม่ใช่ว่าตัวเองทำได้นะ <c oughs> หมายถึงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีคนที่ฟังธทมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจทำรู้ทำเนี่ยตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าเขามีเครื่องมือก็คือมีเครื่องมือที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้ให้ใช้สตินี่ละและเขาก็นะไม่ใช่เขาเขาขออภยัย <c oughs> นะพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนาะท่านก็ได้เหมือนกับว่าได้มีสตินะกลับมาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจตรงนี้ลหละที่ว่ามันเป็นเหตุให้ทำให้เข้าใจเข้าใจธรรมทำให้รู้ธรรมนะทำให้เห็นธรรมตรงเนี้ยเนาะก็คือความเข้าใจเนาะก็เป็นอย่างหนึ่งคำว่ารู้ก็เป็นอย่างหนึ่งคำว่าเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเข้าใจก็ดีไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่ว่าจะเห็นก็ดีเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการที่เราเนี่ยมีก็เรียกว่ามีการที่เราจะพิจารณาเนาะพิจารณาหรือว่าการที่เรากลับมามีความเพียรตรงนี้เท่านั้นเองนั่นนั่นคือพวกเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าทาไปเลยทำไปเลย <laughs> <laughs> ลืมไปไม่เป็นไรไม ม, มีเรื่องทำต่ออย่างของเราเนี่ยอย่างของทางหลวงพระเทียนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเหมือนกับให้เราได้มีโอกาสได้เหมือนกับว่าปึกงานเนาะทุกทุกขณะเลยเพราะว่ากรรมฐานอย่างของทางหลวงพระเทียนก็จะบอกบอกว่าให้เราใช้เนาะทั้งในรูปแบบทั้งในนอกรูปแบบเนี่ยเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยให้เราเนี่ยไม่ได้แยกนะหมายถึงว่า มีโอกาสที่จะทำในรูปแบบก็ทำเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำจะไปทานข้าวทานปาลาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำเลยแต่ว่าทำนองเดียวกันก่อนที่เราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนที่เราจะไปทานข้าวทานปลามันก็ต้องมีการเดินเนาะก็จงกลมกันไปเลยตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเราก็เหมือนกับ เรียนหนังสือปุ๊บก็ฝึกงานปับ๊บเรียนหนังสือปุ๊บก็ฝึกงานปั๊บนะไม่ใช่ว่าต้องจบจากตรงนี้ไปแล้วไปฝึกงานข้างนอกอะไรยังไงก็ไม่ใชนะ่แต่เหมือนกับว่าเรียนไปฝึกไปเรียนไปฝึกไปเรียนไปฝึกไปกันเลยตรงนี้ถ้าหากว่าเราได้ทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าโอ้นี่แบบว่าครูบาอาจารย์นะได้ให้โอกาสพวกเราเนี่ยเยอะแยะเลยแต่เราอะ่ะจะฉวยโอกาสพวกนั้นเอาไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า ในส่วนตัวหลวงพ่อเองก็เหมือนกับก็ได้ได้เห็นเนาะก็เรียกว่าได้เห็นโดยตัวเองก็หลายครั้งที่เราหลงไปใช้ความรู้โดยที่เราก็ไม่ได้ประกอบกับความรู้สึกตัวความรู้ที่มันมีอยู่ในตัวเราเนาะมันมีอยู่ในตัวเราอะมันมีอยู่ในตัวเราเพราะว่า เราก็เรียนเราก็รู้ต่างคนต่างก็มีความรู้ความชำนาญเนาะจนกระทั่งมันอยู่ในเนื้อในตัวเราแล้วไม่ต้องไปนั่งพลิกตำราเราก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้ทางธรรมเนี่ยเราทำให้เหมือนกับเป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อในตัวของเราเนี่ยแล้วหรือยังอย่างเียเนาะี้ยโดยส่วนตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ายังอย่างหลวงพ่อคำเขียนนะอยู่กับท่านมาเนาะ อยู่กับท่านมาหลายหลายปีเนี่ยที่เห็นก็เรียกว่าอิริยาบทของท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นยืนดอนยืนนอนนั่งเดินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ในหลายๆเวลามันบันหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เห็นท่านอ่านหนังสืออย่างอย่างเอาความรู้จากหนังสือนะไม่เห็นจะเห็นท่านก็เปิดดูหนังสือนะท่านก็ จะเปิดเปิดดูเวลาที่ท่านมาพูดเนี่ยท่านก็ไม่เคยเขาเรียกว่าเอาความรู้จากหนังสือมาพูดแต่ท่านก็จะหยิบประเด็นจากสิ่งที่ท่านอ่านเนี่ยออกมาเป็นการแนะนำให้เราได้เห็นก็เรียกว่าได้เห็นก็เรียกว่าความเป็นไปของโลกบ้างหรือว่าได้เห็นมุมของธรรมบ้างจากจากสิ่งที่ท่านผ่านตา ตรงเนี้ยก็เห็นอย่างนี้เป็นประจำนะก็แบบมีความนับถือท่านเนี่ยอยู่ในใจเนี่ยอยู่ทุกขณะเพราะว่านั่นคือโอแบบว่าความรู้ทางธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเป็นความรู้ที่ทำให้ท่านเนี่ยทันสมัยมากๆเลยความรู้ทางธรรมอย่างเดียวเนี่ยเป็นความรู้ที่ท่านแบบว่าเมื่อไหร่ที่ท่านพูดเนาะธรรมะให้เราฟังจะเป็นนอก ก็เลยจะเป็นในเวลาอย่างเนี้ยอย่างอย่างเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรก็ดีเงี้ยท่านก็จะมีประเด็นธรรมต่างๆเนี่ ย, ยที่เป็นประเด็นธรรมที่เราฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ประเด็นที่ท่านหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าโดยส่วนตัวก็จะเหมือนกับเวลาที่บนันทีหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเนาะ เราก็จะเอาเรื่องนั้นนะไปพิจารณาเป็นหลักในในประจำวันเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนกับเดียเด๋ยวๆหลวงพ่อก็ขึ้นมาตอนเช้าเดี๋ยวๆหลวงพ่อก็ขึ้นมาตอนเย็นอย่างเงี้ย น, นะพาเวลาที่หลวงพ่อหยิบประเด็นบางทีหลวงพ่อก็บอกว่าให้ศรัทธาความหลงนะ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ให้ศรัทธาความหลงเพราะว่าอะไรหลวงพ่อบอกว่าหลงนะดีนะเพราะว่ามีไว้ให้เรารู้อย่างเงี้ยบางทีพวกเราปฏิบัติทำกันเนาะ เวลาพวกเรามีความหลงพวกเราก็จะจิจะกกันใช่แบบว่าหงุดหงิดกันที่มีความหลงเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนั้นก็คือสิ่งที่ให้เราได้มองเห็นมาเราก็ก็เรียกว่าหลงไปเนาะกับความหลงหลงไปกับความหลงคืออะไรก็คือการที่เราหลงไปหงุดหงิดเอากความหลงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็หลงไปอยากที่จะรู้อย่างเดียวอย่างเงี้ยนั่นะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า พอหลวงพ่อเปิดประเด็นให้เราว่าให้ศรัทธาความหลงนะเเราก็ได้กลับมารู้สึกตัวได้กลับมาเห็นนะอสิ่งที่เรากำลังเหมือนกับว่าเรากําลังเป็นอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะวางใจเนาะกับความหลงที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคือพอเวลาที่เหมือนกับครูบาอาจารย์ได้ได้บอกปุ๊บเนี่ยเอเราก็จะได้มีสติกลับมาพิจารณานะ สิ่งต่างๆนานาเหล่า น, านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าในบทสวดมนต์บทสวดมนต์เช้าบทสวดมนต์เย็นที่เราสวดกันรวมทั้งบทพิเศษต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่พอเวลาที่เราอ่านดูเวลาที่เราสวดกันเนี่ยอารมณ์หนึ่งเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนาะในในการที่เราสวดมนต์ก็ดีหรืออารมณ์ที่เราเกิดขึ้นในการฟังธรรมก็ดีเนี่ย มันจะเป็นอารมณ์ที่มันเหมือนกับว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเข้ามาปะปนเนาะก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาวุ่นวายให้เราได้เหมือนกับว่าให้เราชอบให้เราชังให้เรานึกติให้เรานึกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เงี้ยคือเนื่องจากว่าธรรมะเนาะของพระพุทธเจ้าก็ดี ธรรมะของหลวงพ่อกำเขียนหลวงพ่อเทียนก็ดีอะไเงี้ยจะเป็นธรรมะที่เหมือนกับว่าคือมันประกอบด้วยเมตตาอยู่ในนั้นนะประกอบด้วยเมตตาอยู่ในนั้นก็จะไม่มีตาหนิไม่มีอะไรเรานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านก็ดีฟังก็ดีเนี่ยเราก็จะอ่านด้วยฟังด้วยด้วยด้วยสติที่ตั้งมั่นเท่าที่เรามีอยู่ได้นะแล้วก็ตรงนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่ ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าจริงๆพูดคำว่าสติที่ตั้งมั่นก็ผิดไปนะจริงๆว่าต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่น <c oughs> <c oughs> เพราะว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยพอเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามีสติที่จะกลับมาคอยรู้สึกตัวในขณะที่เรานาตสวดมน์ก็ดีในขณะที่เราฟังธรรมก็ดี นั่นนั่นคือตรงเนี้ยว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนาะก็ mm hmm. เรียกว่าเราหัดกันตรงเนี้ยรู้ว่าหลงไปเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกตัวกันรู้ว่าหลงไปเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกตัวกันตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นว่าอย่างคำเขาเรียกว่า <c oughs> คำพูดง่ายๆของหลวงพ่อเนี่ยนะ <c oughs> หลงกับรู้อ่ะใช่ไหมมันอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยหลงกับรู้มันอยู่ที่เดียวกั น, น, <c oughs> ก น, กนจริงๆก็ มันก็ไม่สามารถผาเอเซียทีที่เราหลงแล้วเราก็รู้ตัวว่าหลงเนี่ยตรงนั้นออกมาให้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันได้เพราะฉะนั้นจะกว่ามันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆนะถ้าหากว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราหลงแล้วเราก็โอ้หลงไปแล้วเนี่ยตรงนั้นนะ่ะนั่นดีที่สุดเลยละ่ะดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนันคือตรงเนี้ยนะ่าพอเราหลงไปแล้วแล้ว ก, ก็รู้ว่าหลงไปเนี่ยหลังจากนั้นไปเนี่ยพอสตาร์ทเครื่องแล้วเราก็คอยรู้กับเรื่องราวต่างๆ จะเป็นอึนก็ดีจะเป็นฉี่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พระุทธเจ้าบอกเนี่ยนะอย่างเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในวินัยเนี่ยก็ได้เหมือนกับก็บอกเอาไว้นะเรื่องเนี้ยเวลาอึเวลาฉียอย่อะไรเงี้ยนะห้ามยืนนะต้องนั่งนิวินัยก็บอกนะฮะจริงๆถามว่าด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยต้องแนะนํำไหม ไม่ต้องนะแต่พระพุทธเจ้าก็เมตตามากๆนะเดี๋ยวพวกเราหลงสติไปอะใช่อย่างเนี้ยเดี๋ยวพวกเราหลงสติไปยืนอื่เนี้ยก็คงเละเทอะหมดเลยนะ <c oughs> ท่านองเดียวกันถ้าเกิดฉี่เนียถ้าเกิดยืนฉี่เนียระยะของน้ำเนียที่ตกมาจากที่สูงเนียมันก็จะมากระแทกกับาพื้นบ้างอะไรบ้างก็จะกระเด็นเละเทอะอย่างเงี้ยยิ่ง ถ้าเนี่ยจีบอนยาวๆเนาะเกือบถึงพื้นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายืนฉี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระเด็นเลอะเทอะกับชุดที่เรามีอยู่ชุดเดียวอนะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยนะครับ เ, <c oughs> เวลาที่เหมือนกับเวลาที่อยู่กับอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงของธรรมเนี่ยนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็ปลอดภัยมากๆ ก็นึกถึงมงคลสูตรนะที่บอกบอกว่าปฏิรูประเทสวะโสจะเนี่ยถ้าเราพาตัวตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อันสมควรเนี่ยโอ้เรื่องดีๆเนี่ยจะเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยจะให้เรามีโอกาสนะอะไรต่างๆ <c oughs> ตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่อย่างพวกเราพาตัวเองมาอยู่วัดอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยเรามองนะถ้ า, าว่าพวกเรากลับไปพิจารณามงคลสูตรเนี่ย 38มงคลเนี่ยที่พุทธเจ้าให้ไหว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกินครึ่ง <c oughs> จริงๆหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่า 80%- 90% เกินี่ยเกิดขึ้นแล้วเหลือแต่ตัวเราเนี่ยที่ทําบางทีมันก็จะเกิดจากเราเนี่ยเขาเรียกว่าเผลอไปคิดนะหลงไปกับความคิดไหลไปกับความคิดนะอันนั้นตรงนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเหมือนกับว่าต้องกลับมามีสติรู้สึกตัวกันการที่พระพุทธเจ้า ยืนยันนะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้หยิบยกเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่อยู่กับชีวิตประจําวันของเราจริงๆกินเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยเนาะ เ, เอามาเป็นเรื่องที่เอามาเป็นเรื่องของการที่เราจะมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเราจะมาใช้ในการพิจารณาเนาะพิจารณา พิจารณาเห็นกายในกายเป็นเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างก็คำพูดของท่านก็กระชับที่สุดแล้วนะฮะอย่างนั้นก็ไม่มีคำพูดอะไรที่มากไปกว่านี้ละแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราเนาะพิจารณาอยู่เป็นประจำตรงนี้เนี่ยการที่เราพิจารณานะก็คือหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่า <laughs> ดู <laughs> ดูก็จะเห็นนะ <laughs> เห็นเนี่ยก็ไม่เป็นผู้เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหฮะอย่างเนี้ย ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สั้นนะฮะ <g ül> ดูก็คือหนึ่งคำเห็นก็คือหนึ่งคำไม่เป็นผู้เป็นก็สองสมคำอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นแต่ว่านั้นคือดูนี่ก็คือการที่เราได้เริ่มปฏิบัติธรรมเนาะเห็นเนาะก็การที่เราได้เริ่มใช้สตินะในการเห็นกลับมาที่กายเราที่ใจเรา <g ül> <g ül> ไม่เป็นผู้เป็นก็คือผลของการปฏิบัติอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยมันก็เออมันก็สั้นนะง่ายนะ <c oughs> ความรู้ตรงเนี้ยเป็นความรู้ที่ไม่ยากเลยนะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมาย <c oughs> เด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้หญิงเลยต่างๆนานาใช้ได้หมดนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราอะ <c oughs> จะมีสติไปกับความรู้ที่เรามีไหมอย่างเนี้ยนะฮะนั่นะะนั่นคือตรงเนี้ยในความผิดความพลังของตัวเองเนี่ยที่ หลวงพ่อก็จะพูดอยู่เสมอๆให้ได้ยินเนาะหลวงพ่อก็บอกอกว่าอาจารย์ตุ้มมันมีความรู้มากตรงนี้หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนเป็นคนทางธรรมนะไม่ใช่เป็นคนทางโลกเพราะฉะนั้นนั่นคือคำพูดที่บอกว่าอาจารย์ตุ้มอ่ะ <c oughs> เป็นคนที่มีความรู้มากเนี่ยหลวงพ่อกําลังไม่ได้ชมเราในทางโลก <c oughs> แต่หลวงพ่อกําลังเ <c oughs> ตือนเราอย่าให้หลงไปกับความรู้ให้เรามีสติไปกับความรู้ด้วย <c oughs> แต่ว่าเวลาที่ฟังหลวงพ่อนะั้นหลวงพ่อไม่ได้ตินะ <c oughs> นั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้มีน้ําเสียงที่ทําให้เราหลงไปกับโลกด้วย <c oughs> จะเป็นน้ําเสียงที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องบอก บอกกันนะเป็นเรื่องบอกด้วยด้วยเขาเรียกว่าด้วยความปราณีด้วยความเมตตาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเรานะก็เหมือนกับว่าตั้งใจฝึกตั้งใจฝึกกันมีหลวงพ่อเนอะเาะก็เรียกว่า <c oughs> เป็นเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับทําให้เราดูอยู่ให้เราเห็นนะอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบูชาต่อบุคคลคนบูชาแบบที่อยู่ในมงคลละสูตรนะมองเห็นหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่หมายไว้ก่อนอะไรอย่างเนานะแล้วก็ลองลองเอานะเขาเรียกว่านึกถึงหลวงพ่อแล้วก็เอาคำหลวงพ่อเนี่ยมาทำเนี่ยตรงนี้เนีโอ้แบบเรียกว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสเขาเรียกว่ามีสตินะกับทุกอิริยาบทนะอย่างเงี้ยเวลาที่เราเหมือนกับว่าอยู่กับวัดเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่สนับสนุนนะให้เรามีสติเยอะแยะไปหมดเลยร่องลอยของหลวงพ่อนะก็เยอะแยะนะหลวงพ่อก็มักจะพูดนะเรื่องล่องรอยตรงนี้เนี่ยใช่ไเราอยู่ในวัดเนี่ยมันจะมีเรื่องล่องรอยต่างๆเนาะโอ้ตรงนั้นก็หลวงพ่อตรงนี้ก็หลวงพ่อเนี่ยการที่เรานึกถึงหลวงพ่อครั้งหนึ่งก็กลับมามีสติครั้งหนึ่งการที่เรามีนึกถึงหลวงพ่อครั้งหนึ่งก็กลับมามีสติครั้งหนึ่ง กับ ม, มีสติครั้งหนึ่งกับกายนะก็กลับมารู้สึกกับการยืนเดินนั่งนอนตรงเนี้ยเราจะพบว่ามีคำพูดของหลวงพ่ออยู่คำหนึ่งนะที่ที่ก็ชอบมากชอบมากหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าลืมนะแบบว่ายืนก็ทำดีนั่งก็ทำดีนอนก็ทำดีเดินก็ทำดีตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลับมารู้นะกับการยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยการยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่ยจะเป็นการทำดีทันทีเพราะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมามีสติกับการรู้สึกตัวเราก็จะไม่เหมือนกับว่าไม่หลงไปกับความคิดนะกลับมาไม่เบียดเบียนตัวเองตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่า ความดีเนี่ยก็เกิดขึ้นเลยเราอะ่ะเกิดมาเนาะคนเราเกิดมาเพื่อทำความดีแล้วก็ตรงนี้แหละความดีที่ดีที่สุดเลย <c oughs> ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไปนะกลับมามีสติรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยเราจะมีความรู้เนี่ยที่ทำความดีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะแต่ว่านั่นคือตรงเนี้ยความรู้ต่างๆที่เรามีเพื่อจะทำความดีจะทำเรื่องราวอะไรให้เกิดขึ้นตามความรู้ความชำนาญของเราเนี่ย ทำเลยนะแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะขอให้เราเนี่ยได้มีสติเนาะไปกับตรงนั้นกลับมารู้กับกายของเราในขณะที่เรากำลังทำคุณงามความดีตรงนั้นเนาะนะนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมานึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเทียนนะระวังกายคลายหรือเปล่าระวังใจกลางหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราทำตามหลวงพ่อเทียนบอกเนี่ย กิจกรรมที่เรากําลังทําตรงนั้นอะ่ะมันจะดีมากขึ้นอีกมันจะดีมากขึ้นอีกมีประโยชน์มากขึ้นอีกไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนาะตามความรู้ความชํานาญของเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะกลับมามีประโยชน์กับเราแล้วเราจะพบว่าอืธรรมะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่เราใช้ปุ๊บเนี่ยเนาะจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยในทันทีแล้วก็ตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองนะ เพราะว่านั่นคือพวกเราก็ได้ยินได้ฟังมาเนาะอย่างี้ก <c oughs> ็ถือโอกาสใช้โอกาสนี้นะบอกพวกเราว่าลองดูฟังแล้วเนี่ยลองเอาไปฝึกงานกันแล้วก็ฝึกงานกับความรู้ความชนานาญที่เรามีนะเราจะชนานาญในการกวาดพื้นก็ดีชำนาญในการพับผ้าก็ดีชานาญในอะไรก็ดีเนี่ยเราลองใช้พวกนี้เนี่ยลองใช้คำสอนของครูบาอาจารย์ตรงนี้เนี่ย อิเดียบทของเราเนี่ยเราจะพบว่าอืมนะมันมีผลที่เขาเรียกว่ามันมีผลที่เราเรียกว่าเป็นปกติที่สุดเลยละแล้วก็ตรงนี้ก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทดลองใช้นะอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อบอกเอาไว้จาหลวงพ่อมา <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ความสงบเย็นความอะไรต่างๆน้นๆเหล่านี้เราก็จะได้รับกันตรงนั้นละเนาะอย่างเงี้ยก็ขอให้พวกเราได้รับความสงบเย็นเป็นสุข ด้วยกันทุกๆคนผ่านการกระทำของเราตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์เนาะอย่างนั้นก็กราบพระพร้อมกัน